ไม่เดินไปอยู่ที่นั่นแต่ควรเกี่งพระบุรีเจ้าท่านหยุดการทําชั่วการพูดชั่วการคิดชั่วเมื่อองค์คุลิมานเข้าใจอย่างนี้องคุลิมานก็เลยโอ้เราทําผิดแล้วเนี่ยนี่แหละความคิดควมเห็นเนี่ยมันไม่เข้าใจแต่องค์ุลิมานเจตนาตั้งใจว่าจะศึกษาธรรมะตั้งใจจะเสว่งหาของดีเนี่ยมันก็เลยไปเสว่งหาธรรมะที่ผิด หาของที่ติดต่อเป็นของดีพระพุทธเจ้าท่านก็นหลอนเราหยุดทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วองค์ณุณธรรมเข้าใจก็เลยหยุดทุกคนเ ค, เคยได้ฟังอย่างนี้ไหมเคยได้ฟังไหมเออนเนี่ยหยุดจากการทำชั่วก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นจิตใจมันคิดอันรูกกายได้ตายไปแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันเพียงเป็นวัตถุเอาไปทําให้คนอื่นมองเห็นเท่านั้นเองแต่สําหรับจิตใจนั้น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 ให้มีสติกำหนดรู้ในอีบทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้กำหนดรู้ท่านวนัดเท่านั้นก็ยังไม่พอท่านนว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้หู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามท่านวให้กำหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความรู้สึกอันนี้นี่เองเป็นการแก้ปัญหาอันนั้นเองดังนั้นการที่ทำการเคลื่อนไหวเนี่ย มันจะนำบุคคลผู้ที่ทำแบบนั้นแหละเข้าไปถึงจุดสาคัญคือจุดสุดท้ายอาจะมาชอบพูดดยจุดสุดท้ายมากเพราะว่าเวลามันก็ใกล้ๆแล้วทุกคนเน่ะมันเดินไปสู่คมตายทั้งนั้นทุกคนต้องตายไม่ตายไม่ได้พอเกิดมาแล้วก็ต้องตายเนี่ยต้องรีบพูดให้กันฟังถ้าไม่พูดเสียแล้วแล้วเขาจะรู้ได้ไหม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 ถ้าเราไม่เน่งไม่เคลื่อนไหวมันเข้าไปในความคิดเลยมันลากเราไปทันทีดังนั้นตัวนี้จึงเป็นการดึงตัวนังคืนมาได้คืนมาให้มาอยู่การเคลื่อนไหวตัวนี้ตัวนี้มันเป็นรูปมันเป็นวัตถุสักนิดหนึ่งตัวนั้นมันก็เลยมาอยู่กับตัวนี้อาตมาเคยพูดให้ฟังถ้าทํายังไงมันไม่หยุดแล้วก็เอามือมาตัดตัวนี้ก็มันเจ็บพอนี่มันเจ็บมันก็วางเลยมันเข้ามานี่ทันทีเลยมันมาอยู่กับที่มันเจ็บนั่นเอง ดังนั้นคนเราต้องมีนะโยบายนะหนูผิดต้องแก่ควมผิดพลาด ต, ต้องมีทุกคนดังนั้นการแก้เนี่ยแก้การทํามาหากินนั้นทุกคนต้องแก้ได้แก้การซื้อขายไปค้าขาดทุนทุกคนต้องแก้ได้เพราะมันขาดทุนเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นเราก็รู้กันเองแต่ตอนนี้เนี่ยมันยากดังนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเตือนจิตสกิจใจเท่านั้นเองเนื้อความผิดพลาดของคนมันอยู่จุดนี้ ดังนั้นจึงว่าเราจะเข้าใกล้กับบุคคลผู้ st people, feels, ที่รู้ก็ตามถ้าหากว่าเรายังไม่รู้จุดนี้เน่ะเราจะได้อยู่ห่างไกลจากบุคคลผู้ที่รู้เราอยู่ห่างไกลก็ตามถ้าหากว่าเรารู้จุดนี้เราจะได้เ <t Akt> ข้าใกล้กับบุคคลผู้ที่รู้ที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นวันนี้ก็คือจะอยู่ห่างไกลก็ตาม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 อะไรก็ไม่ทราบแลยมันจะมืด อ, อยู่เสมอไปดังนั้นความสว่างเนี่ยมันจะเพชดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยไดให้ฟังหรือปู่ย่าตายายพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แต่ละพระองค์เนี่ยพวกสัตว์นรกไปตกนรกไปตกอเวจีเนี่ยผ้าสีอะไยี่ม่ไต่เนี่ยจะมาตัดสรุ้อายุสี่หมื่นปีจะเที่ยวเทศเที่ยวสอนคนอยู่เนี่ย แต่ลัศธนีของธรรมะของพาราสีอะไรไม่ติจะต้องเข้าไปถึงสัตว์นรกที่ไปตกอยู่อวกีเท่ากับแสงฟาาแม่เท่านั้นเอง เ, เห็นแม บ, บเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากการฟังธรรมะอันนี้ไม่เข้าใจก็เช่นเดียวกันแต่คนใดที่อยู่ใกล้ตกอยู่นรกสั้นบางๆเขาได้แรือเดินอยู่ที่ไหนก็ได้แล้่กัเหมือนกับแสง พาทิ์กลางวันนี้เองหน่นยก็เหมือนกับกลางวันกลางคืนแต่ผู้ที่ไปตกอเวจีนั้นนะ่ะพระศรีอริเมตไตรมีอายุสี่ b i ปีเที่ยวเทศเที่ย ว, ยวสอนก็เห็นแวบข่าวเดียวเท่านั้นเองดังนั้นจิตใจเราจุดนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะมืดอยู่ตลอดเวลาใครพูดอะไรมันจะไม่รับเลยพอดีเราได้ยินเสียงธรรมะอะไรแปลกๆน่นนะเราต้องรีบออกมาคิด ออกมาวิีใจดูใจเราจิตใจของเราจวนจะหมดลมหายใจจะมาสนแวบเท่านั้นเองมันต้องเป็นอย่างนั้นรับรองได้ว่าทุกคนไม่ยกเว้นเลยจะถือศาสนาไหนขอต่างหาตา ม, มาเคยพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราถือศาสนาพุทธมีบาปมีนรกมีอเวจีศาสนาอื่นๆเขาไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีอเวจีแล้วก็เลิกถือศาสนาพุทธ ไปถือศาสนาที่เขาไม่มีนรกนั่นเถอะมันก็สบายใจแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติพูดเท่านั้นเองความจริงที่อาตมาพูดเนี่ยทุกชาตทุกภาษาทุกประเทศทุกมีกายต้องเป็นอย่างนี้นรกคือความมืดนั่นเองคือความทุกข์กับสนุนวุ่นวายนี่เองนรกนิพพานบัณเนี่ยคือความหยุดอันนี้ได้นี่เองหยุดไม่ให้มืดเข้ามานี่เอง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 ทั้งสองอย่างในพระพุทธเจ้าทุกทางนั้นดีพอทุกชั่วพอทุกท่านว่าดีใจพอทุกแบบดีใจชั่วกว็ทุกอย่างชั่วนด้วยนี่พระพุทธเจ้าถึงวางทั้งสองมือเลยอาตมาเคยพูดเนี่ยปิงมาจับอย่างนี้ดึงมือนี้มันติดมือนี้านวางเอาทั้งสองมือเอายาสลมไปแล้วกว็าวางไว้เท่านั้นเองมันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเรารู้นะอย่างได้บัด น, นี้มันขึ้นมาปุ๊บวางมาอยู่หอบรู้สึกฝึกหับบ่อย มันค่อยเป็นค่อยไปเองดังนั้นจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ทุกคนต้องได้รับผลอันนี้แม้จะรักษาจิงก็รับผลอันนี้ให้ทานก็ตรับผลอันนี้ไม่รักษาจิงก็จะได้รับผลอันนี้ไม่ให้ทานก็จะได้รับผลอันนี้เพราะผลอันนี้มันขวงหน้าอยู่ทุกคนหรือมันเป็นแด น, นกั้นอยู่ทุกคนถ้าเราทำลายสิ่งนี้ได้แล้วก็แสดงว่าเราหมดงานที่เราจะทาแล้ว พระพุทธเจท่านสอนหมดงานที่เราจะทําแล้วเรียกว่าถ้าพูดตามสัมโนเนี่ยเรี่ยกธมมะจันเราอยู่จบแล้วธมมะจันก็หมายถึงบุคคลผู้ที่อยู่เย็นเป็นสุขวา่าอยจะในกระได้หรือหมายถึงบุคคลผู้ที่สงบแล้วหรือหมายถึงบุคคลผู้ที่สะอาดแล้วหรือหมายถึงบุคคลผู้ที่ทํางานเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ก็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 พอดีนอนกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามคนมาพูดให้เราพอใจก็อย่าไปอยู่กับผมพอใจไม่พอใจก็อย่าไปอยู่กับผมไม่พอใจให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี่เองฝึกบ่อยๆควมพอใจควมไม่พอใจมันค่อยจางไปจางไปลดไปลดไปพอเราฝึกหัดบ่อ ย, อยๆเด่ยมักต้องเจริญเนี่ยเป็นวิธีเท่านั้นเองดังนั้นมันจะค่อยเกิดค่อยเป็นค่อยมีขึ้นมาให้เราได้รับผลมาจริงๆแล้วมันจะค่อยๆจางคายไป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 แต่เรามาทำของงายนี่แหละให้มันยากเดี๋ยวนี้นี่วไปฟังเทศฟังทำหรือทำบุญให้ทานรักษาสินต่างๆมีแต่พูดยากๆทำยากๆโอ้โหจะมีเวลาได้ทำได้ไหมเพราะมันไปขุกทีอยู่กับการกับงานทั้งนั้นคนทุกคนต้องมีการมีงานทำแต่ไปทำอย่างนั้นน่ะมันทำไม่ได้อาตมาพ่ปองทําแล้วเรื่องนี้เดีย๋ย ว, วิธีที่อัตมาพูดเนี่ยไปที่ไหนก็ทาได้นี่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 เมื่อฝึกตัวนี้เข้าไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องโทสะโมหะโลภะและบัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงข่มยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องพูดถึงข่มสงบและบัดเนี่ยพูดเอาตัวสุดท้ายอีกแล้วเมื่อเราจวนใจหมดลมหายใจก็ตามเราเจ็บพ่ายได้ป่วยก็ตามเป็นวิธีใดก็ตามล่ะเราต้องมาดูการเคลื่อนไหวอย่าไปดูลมหายใจให้มากมันหายใจเข้าใจออกรู้สึกตัว น, น้อย แล้วมันเคลื่อนไหวโดยวิจัยการใหรู้มันคิดก็ให้รู้เพียงแค่นี้เองแล้วบัดนี้มันจะมีโอกาสที่เราจะได้มองของคิดมันจะขาดช่วงกันเข้ามาทันทีนี้แหละความจุติจิตตัวนี้เนี่ยปฏิสนธิจิตหรือจุติจิตทันพูดอย่างนี้เมื่อมีความสว่างที่ตรงนี้ก็แปลว่าเราได้รับธรรมะหรือความสว่างจากบุคคลผู้ที่รู้หรือพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้เมื่อเรายังมืดอยู่ พอดีมันมืดเป๊ะอย่างที่พูดให้ฟังพระศรีอริยเมตไตรมาตัสรู้อายุ 40,000 ปีก็ยังมืดอยู่ไม่รู้ที่จากมันก็จะเป๊ะนิดเดียวมันก็ไม่รู้เลยอันนี้ถ้ามาตกกระไดคอยโจนให้เรามองที่ตรงนี้เมื่อตรงนี้ขาดไปคําว่าขาดไปนี่ทางนี้จะว่ายังไงไม่ทราบอาตมาเคยพูดให้ฟังเอาเสื้อพูดผูกส้นนี้ผูกส้นนั้นตัดตรงกลางเนี่ย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 คนเขียนหนังสือให้เป็นก็ต้องไปทีน่นี่คนมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ต้องมาทีน่นี่คนจนๆไม่มีเงินแม็สตางค์เดียวก็ต้องมาที่นี่จะร ว, วมตายจึงแน่นอนที่สุดจุดนี้นะะดังนั้นอาตมาได้พูดให้มาตั้งแต่ต้นมาก็มายึดจุดนี้พูดไปที่ไหนก็ต้องมายึดจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสํดาคัญในหัวใจของพุทธศาสนาเป็นการต่ออายุให้พวกเราให้พวกเราได้ทําคือว่า พยายามทํามันคิดไม่พอใจรีบมาดูใจเราทิ้งไม่พอใจออกไปเสียเนี่ยเป็นการต่ออายุของเราแล้วเนี่ยเพราะเราทุกข์เอาคมทุกข์มาไว้ทําไมเราทิ้งไปแล้วควมทุกข์โกมุดไปแล้วก็รัสบายใจเป็นการต่ออายุถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันก็ตายเร็วนี่เองดังนั้นความโกรธเนี่ยมันทําให้คนตายเร็วดังนั้นปู่ทุ่สนคนธรรมดาท่านว่าอย่างนี้นะ พอแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนพูดให้กันแล้เหมือนกับสมไฟอยาให้มันไม้ทองฟ้าไฟมันไม่ทองฟ้าไม่ได้นะใครเคยเห็นไฟไม้ทองฟ้าได้ไม่เคยเห็นอนะตอมมาด้วยโยมเคยเห็นบ้างไหม<ะ>เคยเห็นไฟไม้ทองฟ้าบ้างไหมไม่เคยมีนะเนี่ยดังนั้นภูทุศนเนี่ยชอบโกด เหมือนกับจุดไฟไม้ทองฟ้าดังนั้นพระเดียะเจ้าท่านสอนว่าคนผู้ที่รู้จักเหมือนกับทองฟ้าปุถุชนนี่โปรธให้พระเดียเจ้าหนึ่งไม่มีโอกาสเลยพระเดียเจ้าจะร้อนได้เยอะปุถุชนนี่เหมือนกับจุดไฟไม่ทองฟ้าจุดยิ่งจุดก็ยิ่งไหม้ตัวเองกอกใหญ่เท่าใดก็ยิ่งไหม้ตัวเองแต่ฟ้ามันไม่เคยร้อนใจเลยไม่เคยร้อนเลยว่าปุถุชนจุดไฟไม่ทองฟ้า แต่อาตมาก็ไม่รู้ที่เพียงพอเม่ยเราให้ฟังดังนั้นเราอย่าเพิ่งโกรธถ้าโกรธเมื่อใดกระจุดไฟเผาตัวเราทันทีท้องฟ้ามันไม่เคยรู้เลยดังนั้นเราโกรธให้คู่ต่อสู้เราเนี่ยบางทีคู่ต่อสู้เราอาจจะไม่โกรธกับเราเขาได้นี่ถ้าเขารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เขาอาจจะไม่โกรธเร็วๆจุดไฟให้ไม่ทองฟ้าแล้วคนนั้นจะไม่เดือดร้อนกับเรามีแต่เราทุกค้นเดียวอาตมาเป็นแล้วเรื่องนี้อาตมาเราให้ฟังความจริงี่ ในบ้านของอาตมานี่อาตมาไม่พอใจใเขาจนเอาพกกระกรถินไปถวายพระตอนเย็นมาพูดกันเขาร้อยฝอ ง, งโปจริงแล้วเลิกกันเลยนึกว่าจะเอาสะนะสิ่งนี้ให้มันได้ถ้าเอาสะนะสิ่งนี้ไม่ได้ไม่มีวันเลยอาตมาตั้งใจไว้เท่านี้การทําบุญให้ฐานรักษาศิลทํากรรมฐานความสงบทั้งหมดเลยจะมาที่ตรงนี้ถ้าไม่มาที่ตรงนี้ก็ทําไปดีไม่ได้ห้ามสร้างกองกรถินก็ดีไม่ได้ห้าม สร้างพระพุทรูปก็ดีไม่ใช่ห้ามแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทุกคนทำได้ถ้าหากสนใจถ้าไม่สนใจไม่ต้องทำก็ได้เที่ยตมานามาไลฟ์ฟังวันนี้ก็นึกว่าทุกคนจาได้เอาไปใส้กับชีวิตของเราจริงๆคาสอนทั้งแปดหมื่นสี่พันพระน้ำขันะเริ่มต้นให้มาจับจุดว่าเราไม่พอใจอ้าวทุกแล้วนะ ข้อที่สองเราพอใจทุกแล้วให้แก้ปัญหาที่ตรงนี้เนี่ยนี่เขาเรียกแก้ปัญหาซึ่งหน้าบัด น, นี้เมื่อเราไม่โกรธคนอื่นไม่มป็นไรแก่เหตุผลก็ว่าเหตุผลมาพอพอใจแล้วไม่พอใจเหตุผลนั่เดียวแก้ซึ่งหน้าไม่พอใจซึบที่แก้ทันทีก็ว่าแก้ที่ประสบการณ์ในทันวันอย่างนั้นแก้โดยเหตุผลเรามานั่งคิดอละเราไม่พอใจเขานเนี่ยเที่ยวหลังไม่ต้องแก้นี่แต่ว่าแก้เหตุผลเนื่องว่า พ, พ่วงผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดนะบทนี้จำไว้นะบทต่อไปให้มาดูใจเราพอดีใจเรามันคิดออกไปแพบ็บขึ้นมาอยู่กับคนดูสิอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามออกไปวันนี้เราต้องดูไปไหนมาไหนต้องดูสภาพหรือภาวะจิตใจของเราคิดจิตใจมันเซย์เท่านั้นเองอันที่ไม่เซยเยไม่เป็นปกติแล้ว พ, พ่วมผิดปกติในขนาดไหนเวลาใดแล้ว นั้นแหละพระบุรุเจ้าจัหวัดทุกมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นดับไปสิ่งที่ไม่มีทุกนั้นไม่ต้องไปพูดถึงอย่างที่ว่าจุดไฟไม่ทองฟ้าไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเราทําความเข้าใจกับจุดนี้ได้เราจะเข้าไปรู้ที่ในระยะช่วงที่เราจะขาดออกจากกันนี้เองจุดนี้แหละอจะมาอยากให้เข้าใจไว้ถึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็อยากให้จัดจุดนี้ไว้ก้วย โซงระยะคนเนี่ยจะหมดลมหายใจในอาตมานึกเอาเองนะระยะสามนาทีหรือห้านาทีเนี่ยต้องจุดนี้ขานแล้วแน่นอนที่สุดถ้าเราทํารู้วันนี้สจะไม่ดีหรือจะไปรอใครทําให้เราปีหน้าจึงจะทําดีหรือปีต่อไปจะทำถ้าเราล้มตายลงทันทีเนี่ยจะได้มีโอกาสทําหรือหรือจะไม่มีโอกาสทําอาตมาตั้งใจจะมาพูดเท่านั้นเอง ดังนั้นวันนี้ก็ที่พูดกับหมอเขาว่าไปพูดได้ถ้าหลวงพ่อต้องการก็ต้องการพูดอันนี้นี่เองต้องการพูดจริงนีถ้าไม่ต้องการพูดอย่างนี้ก็ไม่มาก็นอนลงโรงพยาบาลพูดแล้วเพราะว่าหมอเขาจะจัดการแล้วพรุ่งนี้เขาบอกอย่างนั้นเต่ว่าถ้าหากเขาจัดการพรุ่งนี้ตอนเวลาเก้าโมงสามสิบมิถุละแล้วกลมาพูดให้โยมฟังไม่ได้ หมดธุลแล้วก็มาพูดไปถ้าหากยังไม่หมดธุลบางทีเขาผ่าตัดลงไปแล้วยังไม่หมดธุลวันหลังก็จะมาพูดให้ฟังถ้าหมดธุลแล้วก็ถือว่าจบศากกันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น<ม>เพราะว่าทุกคนต้องฟังเอาไว้นะเรื่องนี้อาตมาไม่ได้ขังวนนกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพูดจนหมดลมหายใจสิ่งที่สําคัญพูดจนหมดลมหายใจอาตมาก็คิดว่าแต่อาตมายัางไม่คานวณได้เพราะว่า คุงนี้เวลาเก้าโมงสามสิบเขาเาไปจัดการเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเวลาเท่าใดยังไม่ทราบท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ได้เพิ่มเข้ามาหลายอย่างหลายวิธีให้แก้ปัญหาตัวเราอย่าไปแก้คนอื่นคนอื่นมันเรื่องนิดเดียวตอนนั้นเองเขาจะทุกข์กับเรื่องของเขาเขาจะสุขกับเรื่องของเขาเราอย่าไปทุกข์กับเขาก่อนแล้วกันเอาแหละที่อทตมาได้นําธรรมะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นนก็เห็นว่าสมวควรเกิเวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา ส, มาสมาาัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสมาาัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราจําคําสุดท้ายที่อาตมาพูดนี้ไม่ต้องไปจําคำโพษเทีพพุทธเจ้าตายไปแล้วสองพันห้าร้อปีนะ่ะไม่ต้องจำอะไรกันแค่จำให้ดี คนตายไปแล้วสองพันห้าร้อยปีแล้วคนมาพูดนี้บางทีอาจจะเคลื่อนไหวไปโดยวิธีใดแล้วก็ยังไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงไปได้คำพูดเนี่ยพระพเจ้าในขณะเมื่อท่านยังมีลมหายใจท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านอาจจะพูดที่ตรงไปจุดนี้จุดเดียวก็ใดเดี๋ยวนี้พระโยตายไปแล้วเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะสังขารยานายขั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอาตมาเคยถามเกิดมาได้กี่ปี เอาถามโยมก็ได้เกินไม่กี่ปีแล้วยังไม่ได้อาหนูเกินได้กี่ปีแล้วฮะยี่สิบเ็ดี่สิบ <c oughs> เจ็ดปีพ่อหนูยังไหมแล้วคําแรกที่สุดพ่อหนูสอนคําแรกที่สุดนะสอนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนกําลังนั่งหรือนอน <c oughs> แน่เพียงอายุยี่สิบเจ็ดก็ยังยี่สิบเจ็ดปีก็ยังจําไม่ไนดะ้อันนั้นพระพุทธเจ้าตายไปแล้ ว, ลวได้ห้าร้อยเนาะได้สี่ร้ยนะ สี่ร้อยห้าสิบปียังไม่ได้จารึกพระธรรมวินัยไว้บัด น, นี้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วร้อยสองพันห้าร้อกว่าปีแล้วเราจะไปจําเอาที่ไหนมาเป็นสำคัญได้อันนั้นเลี้ยเลี้ยงล่วงมาได้สองพันห้าร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วดีแล้วแต่เราอย่าไปทิ้งแต่เราอย่าไปยึดไปถือขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสําคัญตัดสินเพราะการ ท, ทางจิตทางใจเรามาจับจุดสําคัญจุดนี้เลยว่า เที่ยงมาพูดเนี่ยให้ดูใจเราให้ดูใจเราจนจะหมดลมหายใจกอตามหรือวินาทีใดคอตามเที่ยงจมาพูดนี่ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอที่เลือถามนะฮะพูดไปก่อนนะผมว่า เขมีหนังสือทูทูวันแด็กสิ่งเล่นเดียวเนี่ยมันพอไหมที่เขาจะเอาไปปฏิบัติตามหนังสือเพราะว่าเขาจะกลับไปบ้านเขาภายในกองสาวันนี้แล้วอีกปีเนี้ยเขาจะกลับมาที่นี่พอไหมถ้าเขาจะปฏิบัติตามหนังสือคำแนะนำหนังสือทุกวันอันหนังสือนะั้มันพอไม่เป็นแต่มันพอเป็นแต่เรามันมีวิธีแต่ให้เราทําจังหวะแค่นั้นเอง เมื่อเราทาจังหวะรู้อันนันและเป็นการปฏิบัติไม่เอาหนังสือไปก็ได้เพราะหนังสือ hmm. ม you know mm ันเป็นวิธีให้ทาอันนี้เท่านั้นเอง I would never know that I have to be aware of myself because in the Western life we learn different things. We never learn how to be aware of ourselves. So this is the first time in my life I find a book which advises me to develop my mind by, by be aware of myself. <laughs> รู้จักรู้สึกตัวเพิ่งเขาเขาเพิมาเจอหนังสือนีนเน้เล่นแรกที่บอกให้เขารู้จักเออรู้สึกตัวแต่ว่าเขาเก็ยังยังไม่รู้วิธีทําเท่าไหรไ่ก็ต้องเรียนอนวิธีทําเนี่ยเป็นวิธีที่เรียนต้องเรียนด้วยมือทําเองพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวข้อมือรวงรู้สึกตัวปมรู้สึกตัวนั่นไม่ใช่ว่านั่งอรู้สึกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือให้รู้การเคลื่อนไหว Because you know in Europe, perhaps I practice play piano, and I'm aware just about this, mm -hmm. but I don't think about the rest. About you know, so whatever we learn in Europe, it's just one subject. If um, if I play basketball, I'm thinking just about this, but I forget the rest. So no one technique in Europe teach you how to practice everything. Your mind all the time to be aware of it. เขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะเล่นเปียโนโดยรู้สึกเป็นเป็นเครื่องดนตรีอะไรน่ะในี้อเขาาก็มารู้สึกกับการกดตรงนี้เขาจะลืมอย่างเดียเลยเขาเล่นบัสเจดบอลเล่นลูกบอลเขาก็จะมารู้จักแต่เรื่องเล่นลูกบอลเรื่องอย่้ลืมเลยแต่ที่จะให้มารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนี้เขาเขาคือถ้ารู้การเคลื่อนไหวที่อะไรหลวงพ่ไม่รู้อันนึงให้รู้รู้ แล้แต่ว่าเสียงเราไม่ต้องกำหนดแต่ฟังได้แต่ว่าจิตใจมันคิดให้รู้แบบนี้คุณอยู่ในเพลนเหรออย t ่ในเพลนของจุดที่คิดถึงคุณคิดถึงุมที่คุณได้ยินเสียงรบกวนแต่ไม่ให้ใส่ความสนใจแต่คุณรู้คุณรู้ว่าเสียงรบกวนอยู่แต่ไม t รู้ตัวที่คิดถึง aware of your movement, mm, yeah, fingers, finger yeah. finger yeah. mm. mm. yeah. yeah. Don't concentrate only finger movement. Yeah, that you see wrong in Europe because we are just concentrated in to part of your your complete person. เมื่อก่อนเขาแบบว่าเขาเขาจะสนใจเฉพาะแต่ว่านิ้วมือเขาจะมือมันสูงเลยแล้วก็เขาแบบนี้แต่น รู้จักจกรแต่งด้วยมือเคน่อนไหนวในเวลาระหว่างนั้นนะถ้าความรู้สึกเพิ่มก็ให้รู้ใหงที<ต>้<น>ให้รู้ให้มนรู้เกีกับคลื่นไหวไดังด้วมือ น, นี้ใัที่โลกเขาเพ่งเฉพาะที่ครับทเขาก็เพ่งเฉพาะมือหรือว่าเป็นเฉพางส่วนไปอันทำเคยบอกวืาไม่ต้องทอะ ไ, ไ, มไม่ต้องเพ่งเฉพาะรู้ทีมือดันเดีคือให้มันรู้ถ้าไม่ทำดานนีหมันก็ไม่ได้ใจมันคิดมันก็จะไม่รู้ที่แบนี้ เพราะอันนี้มันเป็นเครื่องที่ปลอบประโลมมันให้มันรู้อยู่ภายนอกก่อนอันใจเนี่มันเราทําไม่ได้มันจะคิดเมื่อใดเราไม่รู้มันจะหยุดคิดเมื่อไรเราไม่รู้เพราะเราเอาตัวนี้เราทําได้เนี่ยพลิกด้วยมันพลิกได้หุ้มลงมาทาได้เอาอยาคิดอยาพลิกย่างไีนมันทําได้อันใจมันห้ามไม่ได้จะเอาตัวนี้เป็นที่ให้มันรู้สึกตัวนี้แล้วบตัวนั้นจะค่อยมาทีหลังเพราะเลาว่าที่ยุโรปเขาสอนให้รู้แต่ที่มีอย่างเดียวไม่ให้รู้อย่างอื่นเลยอ๋อให้รู้คือมันคิดต้องรู้อันนี้เราทําอันนี้ก่อน ทำได้อย่างคลิกดูไหมเดี๋ยวจะ h e move m e n t of t hand e h hold อันอันน่าจะเอาแกนป๊อปจ body you just aware at of the movement mm hmm. but uh, not concentrate only based part of your body but you not not concentrate in mm hmm. one part but you aware in at the movement but at the same time if your thought arrive you have aware the thought also y o u thought move, or your mind move. You have aware your mind, but you have to to move the body done. Let it still.